พาเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7วาระด้วยกั น, นหรือเจ็ดเรียกว่า7ฐานะเจ็ะนะนสัมปชัญญะนั้นหมายถึงการเจริญสัมปชัญญะ4ี่ในฐานะเจฐานะเจมีอะไรบ้างก็คือภิกษุทําสัมปชัญญะในการก้าวไปและถอยกลับนะนะอย่างที่หนึ่งะอย่างที่สองก็ทําสัมปชัญญะในการมองกับการเหลยวก็คือมองตรงๆกับเหลยวมองเนี่ยนะหรือชําเหลืองมองเป็นต้นอ่ะ 3. ก็การทําสัมปชัญญะในการคู่เข้าและเหยียดออกอย่างที่4ก็การทําสัมปชัญญะในการทรงผ้าสังขารติบาทและจีวร อ, อย่างที่5ก็ทําสัมปชัญญะในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มอย่างที่6ก็ทําสัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะอย่างที่7ก็ทําสัมปชัญญะในเวลาเดินยนนนนืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งนักเรียกว่าฐานะ7 ในสติปัฏฐานนั้นเน้นพิเศษคือเน้นการเจริญอะสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่มาด้วยวาระการว่าด้วยการแลกับการเหลียวหรือมองอมองหรือการเหลียวมองเนี่ยมองตรงๆกับมองแบบอกลิ้งสายตาหันซ้ายหันขวาอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าการมองก็คือในการลืมตานั่นแหละลืมตาดูวะนะ ในอัตถกาธาน้า702กล่าวถึงว่าการมองไปข้างหน้าชื่อว่าอะโลกิตะเรียกว่าการแลตรงๆงเรียกว่าอะโลกิตะส่วนวิโลกิตะก็คือการแลซ้ายแลขวาเรียกว่ากลิ้งชำเลืองซ้ายชำเลืองขวานั่นแหละเรียกว่าวิโลกิตะถ้าอโลกิตะก็มองตรงๆรงั้นการเจริญสติปัฏฐานในขณะที่มองดูนี่เป็นอย่างไร คําว่าการมองเนี่ยนะไม่ว่าจะมองตอนก้มมองหรือเงยมองหรือหันมองมองบนมองล่างมองข้างมองซ้ายมองขวาคือจะมองในแง่ไหนก็ท่างมันก็รวมอยู่ในคำสองคำเนี่ยแหละก็คือการอาโลกิตะพิโลกิตะก็คือการมองดูเกี่ยวกับเรื่องของการมองดูเนี่ยนะดูด้วยอะไรก็ดูด้วยสัมปชัญญะทั้ง4ี่ประการ ถ้ากล่าวตามลําดับเนี่ยนะเมื่อมีการไปการมาถามว่าเมื่อมีการไปมาไปทําไมมาทําไมก็ไปดูกลับมาดูนั่นแหละเรียกว่าตามไปดูนะคล้ายๆแบบนั้นก็คือตามไปดูไปเห็นไปแลไปดูถามว่าดูให้มันเป็นอะไรนี่แหละที่มาของสัมปชัญญะทั้งหลายก็จะเข้ามาเพราะว่าศาสกะสัมปชัญญะก็คือการคํานึงถึงประโยชน์ของการดู คือไม่ใช่ว่าดูศักดิ์แต่ว่าอยากรู้อยากเห็นแค่ใจอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นแต่เกิดความคิดขึ้นว่ า, าการดูเนี่ยดูแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างดูแล้วมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์โลกนี้ไหมมีประโยชน์โลก เ, เพื่อประโยชน์โลกหน้าไหมดูแล้วจะให้เห็นอริยสัจเป็นต้นขึ้นไหมที่เรียว่าเอาสาระแห่งการดูเพราะว่าถ้าหาว่าการดูโดยที่ไม่มีสาระก็คือ ใช้สายตาที่ค่อนข้างเปลืองนะถ้าเราเรียกว่าตาเนี่ยควรจะมีราคาเท่าไหร่ตาสองข้างเนี่ยนะที่ที่เรียกว่าสมมติถ้าตาบอดสนิทเลยเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยควรจะใช้ทุนสักเท่าไหร่เพื่อซื้อตาคู่นี้กลับมาถามว่าเราใช้คุ้มค่ามไหมนะใช้คุ้มไหมใช้แล้วมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์โลกนี้มีอย่างไรประโยชน์โลกหน้าเป็นอย่างไรหรือการใช้สายตาของเราเนี่ยเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งเป็นต้นไหม นั้นการมองดูโดยใส่ใจแต่เฉพาะประโยชน์เนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างที่ว่าประโยชน์โลกนี้ได้ไหมประโยชน์โลกหน้าได้ไหมประโยชน์อย่างยิ่งได้ไหมถ้าไม่คํานึงถึงประโยชน์เราก็ดูดูในสิ่งที่ไม่ควรดูการดูเนี่ยนะทุกครั้งที่เราลืมตาดูเนี่ยทางธรรมะให้ความสําคัญการดูเท่ากับการเปิดแผลเลยแหละจะติดเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่การดูเพราะว่าตานี่ก็นับว่าเป็นแผลอย่างหนึ่งเหมือนกัน มันแบบเชื้อทางอะไรแบบเชื้อโรคในโลกมันก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวพอสมควรนะแต่ว่าเชื้อคือบาปอากุศลที่ติดตามมาหลังจากการดูนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากมันก็ต้องคํานึงถึงเสมอว่าดูทําไมดูเพื่อประโยชน์อะไรศ า, าสรการสัมปชัญญะนั้นท่านยกเอาท่านพระนันทะเป็นพยานเนี่ยนะเป็นตัวอย่างเป็นกายพยานก็คือมาเป็นตัวอย่าง ในการดูอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าหากพระนันทะจําจต้องมองดูทิศ ต, ตะวันออกไซคือถ้าจะดูทิศตะวันออกนะพระนันทะก็จะประมวลเอาทุกสิ่งทุกอย่างโดยจิตแล้วมองดูทิศตะวันออกด้วยคิดว่าเมื่อเรามองดูทิศตะวันออกอย่างนี้แล้วอาภิชาโทมนัที่เป็นอกุศลธรรมอัลลามโมกจักไม่ท่วมทับเรา หมายความว่าท่านคิดไว้เลยว่าท่านจะดูยังไงดูโดยที่ไม่ให้มีอภิชาและโทมนัตเมื่อท่านลืมตา ม, มองดูทิศตะวันออกเหมือนั้นอันนี้ในอัตตกถาหรือในดีกาก็าทีบายว่าเนื่องจากท่านพระนันทะเนี่ยเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยหีริโอตปะความที่พระนันทะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยหีริโอตปะท่านจึงมีความสามารถที่จะคํานึงถึงประโยชน์แห่งการมอง คือมองยังไงโดยไม่เปื้อนบาปแบบนั้นนะลา ม, มกตัวนั้นมาจากคาว่าบาปคือดูอย่างไรโดยที่ไม่เปื้อนบาปคือโลภะไม่เปื้อนบาปด้วยอํานาจของโธสระเพราะว่าถ้าเปื้อนบาปกลับมาก็เกิดเดือดร้อนนะนะเพราะคือชื่อว่าบาปทั้งหลายชื่อว่าอากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะถ้าหากว่าสะสมบ่อยๆสะสมมากๆก็ฉุดคร่าบุคคลเหล่านั้นลงสู่ที่ต่ําฉันใดอกุศลธรรมทั้งหลายนั้นเป็นเช่นนั้นเพรา ะ, ะนั้นก็เห็นทุกโทษพิษภัยของบาปอากุศล ละอายใจเกรงใจตัวเองที่จะต้องมองแล้วเป็นอกุศลคล้ายๆว่าเราจะต้องสร้างความหนักใจให้กับตัวเองไปทําไมเราจะต้องทําบาปให้ตัวเองไปถึงไหนเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าคนที่คิดอย่างนี้ได้เรียกว่าคนมีหิริเนี่ยนะละอายใจที่จะต้องทําบาปจะทําบาทปทํำกรรมให้ตัวเองไปถึงไหนไม่สงสารตัวเองม้างเลยหรือเมื่อตัวเองดูเป็นบาปเป็นอกุศลแล้วมันมีทุกข์ทษอย่างไรพิษภัยอย่างไร อันนั้จะให้ตัวเองเดือดร้อนไปถึงไหนจะทําลายประโยชน์ตนถึงตัวเองไปถึงไหนมองให้เป็นบาปเพื่อทําลายศีลสมาธิวิปัสสนาไปถึงไหนถ้ามองเรามองด้วยจิตใจที่เป็นบาปแล้วเราก็ห่างจากพระรัตนาณ์ใจนะการราลึกสายใจได้อย่างนี้เสมอๆบ่อยๆเงางๆเรียกว่ามีเฮรินี่นะเนะฮรินี่เป็นเหตุใกล้ให้คหํานึงถึงประโยชน์เพราะว่าถ้าคํานึงถึงประโยชน์ได้ก็ดูแล้วไม่เปื้อนบาป ตรงนี้ในธรรมะไม่ใช่ห้ามดูไม่ใช่ห้ามดูสิ่งทั้งปวงแต่ว่าดูสิ่งใดแล้วจะเปื้อนด้วยบาปกลับมาไม่ควรดูนั้นดูอย่างไรจึงจะได้รับประโยชน์แล้วดูเหล่านั้นเนี่ยนะดูแล้วใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นไหมใส่ใจไว้เสมอหรืออย่างหนึ่งการดูเหล่านี้เกื้อกูลต่อการประกอบอาชีพไหมนี่นะเรียกว่าประโยชน์โลกนี้นะการดูเหล่านี้แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกหน้าคิดว่า จริงอยู่ว่าอาจจะประกอบอาชีพอยู่สบายในโลกนี้แล้วพบต่อๆไปล่ะซึ่งเราจะต้องไปอยู่แล้วไม่สามารถที่จะอยู่อย่างนี้ได้ตลอดไปแล้วเราป้องกันภัยอะไรต่อไปในอนาคตบ้างนะนะแล้วต่อไปล่ะ เป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมเพราะการสอดสายสายตาเพื่อเหลียวดูก็คือการสร้างตาดีๆนี่แหละนะนะถามว่าวิธีสร้างตาทํำยังไงสร้างตาในภพใหม่ชาติใหม่นะี่นะก็ดูเข้าไว้นี่นะอย่าเบื่อหน่ายในการเห็นอย่าเบื่อหน่ายในการดูเพลิดเพลินในการดูมีความสุขที่จะดูนั่นแหละคือวิธีสร้างตาต่อไปในอานาคตจะมีตาอีกกี่คู่เหมือนตาสัพพรดหรือไม่เรื่องนั้นนะนั่นก็การสร้างตาทั้งหลายก็คือการเพลิดเพลินในการ เห็นเพลิดเพลินในการดูเพลิดเพลินในการชมแล้วก็เปื้อนด้วยบาปคือโลภะและโทสะเปื้อนด้วยบาปด้วยอภิชาและโทมาน ก, การที่ทำอย่างนั้นเรียกว่าไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสมถาวิปัสนาไม่มีข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อะไรเลยเพราะฉะนั้นพระนันทาเนี่ยนะยกตัวอย่างที่ว่าพระนันทะที่มีสติสัมปชัญญะ ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าทําไมพ ร, พ, รพระนันทะเนี่ยจึงต้องคํานึงถึงใส่ใจในสติสัมปชัญญะมากเพราะว่าพระนันทะเนี่ยเป็นคนที่มีกิเลสกล้ามากในบรรดาคนที่มีกิเลสแรงกล้าเนี่ยพระนันทะเนี่ยอันดับหนึ่งเลยแล้วท่านก็เป็นคนรูปหล่อมากรองจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเพราะนั้นเวลาที่ท่านมองอะไรเนี่ยคนก็ชอบท่านคนก็ชอบมองท่านแล้วท่านก็ชอบมองคนด้วยเนี่ยปัญหามันก็สังยอ ง, อยองสองอย่างเนี่ย แล้วถามว่ามันจะทุกข์ขนาดไหนสําหรับท่านมันท่านจึงต้องอินทรีย์สังวรอย่างดีเยี่ยมท่านจึงจะบรรลุมรรคผลเลยเป็นเอตตะทะฆ่าในเรื่องการสํารวมอินทรีย์สังวรเนี่ยนะปิดกั้นเนี่ยนะเพราะฉะจะต้องดูแล้วสำรุมตั้งสติสัมปชัญญะไว้อย่างแรงมากจึงจะใจ จ, ะจึงจะไม่เปื้อนบาปแต่ในที่สุดท่านก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเพราะว่าท่านทําได้ทั้งๆที่ว่าใครจะมีกําเรละกิเลสเท่าท่านานะมีมีมีทุกอย่างเหมือนท่านแล้วก็ท่านพร้อมที่จะเป็นจกักรพรรดิด้วยเนี่ยนะ เรียกว่าอนาคตทางโลกเนี่ยสวยหรูมากเลยนะถ้าอยู่ต่อไปหรือว่าถ้าท่านจะย้อนกลับเข้าไปแต่ก็ไม่ใช่ฐานะเพราะว่าได้ศาสดาชั้นเยี่ยมคือพระพุทธเจ้าฝึกเพราะนั้นท่านก็ฝึกอินทรีสังวรด้วยสติสัมปชัญญะด้วยฮิริโอตตปะท่านก็ฝึกสำเร็จบรรลุมรรคผลเป็นผ้าอรหันตธรรมที่สุดแห่งทุกได้ทนพนันทจะดูทิศ ตะวันออกทีต่ตะวันตกทิศเหนือที่ใต้แงนดูข้างบนกม้มดูเบื้องต่ำทิศเฉียงซ้ายไม่ว่าจะเป็นทิศใดๆพระนันทะก็ประมวลเอาทุกอย่างโดยจิตประมวลเลยว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างแค่คำนวณก่อนนะคิดก่อนแล้วค่อยดูไม่ใช่ดูก่อนแล้วค่อยมาคิดว่าเอจะหาประโยชน์อะไรบ้างจากสิ่งที่ดูแต่ท่านคิดว่าถ้าจะดูสิ่งนะั้นมีประโยชน์อะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็มองดูเนี่ยด้วย สาธกาะสัมปชัญญะคำหนึงถึงประโยชน์ในการดูอยู่เสมออย่างพรนันทกษ์นี่ก็รู้อยู่แล้วว่าท่านนั้นหลังจากที่คนอื่นดูหมิน่นท่านมากๆขึ้นว่าบวชรรับจ้างบวชเนี่ยนะรับจ้างบวชโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นพยานว่ารับจ้างบวชเพื่อให้ได้นางฟ้าเนี่ยท่านก็มานะมากท่านจะบรรลุละเมื่อท่านตั้งความเป้าหมายว่าจะ บ, บรรลุโดยส่วนเดียวท่านก็ปรารถนามรรคผลนิพพานอย่างแรงกล้าก็เลย ดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ไม่ให้ใจนี้แปดเปื้อนกับบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายในที่สุดท่านก็อบรมสัมม า, าวิปัศสนาบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระทหารรูปหนึ่งในอสีติมหาสาวกเนี่ยนะเป็นสาวกผู้ใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่มีลูกสิธิ์มีบริวารเยอะมากช่วยเหลือในการเผยแพร่ประกาศอาริยสัจธรรมสมัยพุทธกาลแต่ไม่ใช่ว่าพื้นเพเดิมแล้วท่านเป็นคนที่กิเลสเบาบางนั่นไม่ใช่ เป็นคนที่มีกิเลสมากเลยแหละเรียกว่าวกิเลสมีกําลังด้วยแล้วก็รูปหล่อด้วยวันณะสูงด้วยแล้วก็จะเป็นจกักรพรรดิด้วยและคนก็ชอบท่านมากด้วยและคนที่ท่านชอบก็สวยด้วยเป็นต้นเนี่ยก็โอ้ยหลายๆอย่างเครียกว่าวถ้าถ้าพูดถึงว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมีเหตุผลที่ไม่ต้องบวชได้นะนะมีเหตุผ ล, ลหลายๆอย่างอธิบายได้ว่าฉันไม่จําเป็นต้องศึกษาริยสัย์ฉันไม่จําเป็นจะต้องฟังธรรมไม่จําเป็นต้องศึกษาพระธรรมเป็นต้นแต่ดีว่าเขากลัวพระพุทธเจ้าที่สุดเนี่ยนะ กลัวพระพุทธเจ้าที่สุดเกรงใจพระพุทธเจ้าที่สุดเคารพพระพุทธเจ้าที่สุดก็เลยไม่รู้จะทำยังไงพระพุทธเจ้าชี้ทางไหนก็ไปทางนั้น่ะ ท, ทั้งทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่เนี่ยจะต้องเห็นตามอย่างเดียวว่าในที่สุดก็เรียกว่าได้ผู้นำดีเนี่ยนะปันติทา น, นจะเสวนาได้ครบพระพุทธเจ้าก็เลยพ้นจากทุกได้คบกัลยาณมิตรที่ถูกต้องก็ชักนาให้ถึงความพ้นทุกไปได้ ในสัมปชัญญะทั้ง4เนี่ยนะอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยการดูด้วยคํานึงถึงประโยชน์ดูแล้วได้ประโยชน์อย่างไงดูแล้วสูญเสียประโยชน์อย่างไรในการดูนั่นแหละเรียกว่าศาตกะสัมปชัญญะส่วนสัปปายะสัมปชัญญะดูแล้วเนี่ยมีประโยชน์จริงแล้วกุศลเจริญไหมล่ะอย่างเช่นอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะการอ่านพระไตรปิฎกนี่ดีไหมดีมีประโยชน์ไหมมีแล้วพระไตรปิฎกมีทั้ง91เเล่มแล้วเราควรจะเลือกอ่านเล่มไหนก่อน บางคนบอกว่าอย่างชันน่าจะต้องอ่านไปตามลําดับขึ้นต้นนับหนึ่งเตะเจอวินัยเข้าไปเออหน้าแรกเรกิ่มช่วงแรกแหมสนุกดีเหลือเกินช่วงหลังๆมานี่ยก็ชักเอ๊ตอนน้นอ่านช่วงแรกๆตอนพาฮิรานิทานเรื่องประวัติมั่งอะไรบ้างอู้วุตายไปดกไม่มีปัญหาอ่านจบแน่พอไปเจอเข้าไปเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องตาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งเข้าละเอียดยิบเข้าไปเอ๊ชักจะไม่จบแล้ว เนี yeah, like them, e uh, ่ยนะพอเจอเล่ม hmm. ท right. ี no. <Alright. S 1> ่สองเข้าไปเออสงสัยบุญน้อยเนี่ยนะเล่มที่สามเข้าไปก็เลยก็ไปดูเล่มสุดท้ายเลยครันี่เอ้มันมีอะไรบ้างเล่มสุดท้ายไปเจอแต่บาลีล้วนๆเนี่ยนะเหมือนแปลก็เหมือนไม่ได้แปลก็บอกโอ้เราเป็นคนอาภัพก่อนในที่สุดก็กลับไปอ่าหนังสือพิมพ์ดีกว่านะก็มีอยู่เท่านั้นนะมันก็เลยนี่แหละเรียกว่าเพ้นการอ่านพระไตรปิฎกนี่ต้องมีประโยชน์ดีจริงแต่ว่า ต้องเลือกเล่มที่เป็นสปายะอ่านแล้วกุศลเจริญมันว่างๆเนี่ยนะใครที่ยังไม่เคยรู้จักพระเจา้าอิโดกเนี่ยต้องมาเปิดดูบ้างเหมือนกันพลิกเล่นๆเลยก่อนก็ได้นี่นะพลิกดูว่ามีอะไรบ้างไม่ต้องอ่านก็ได้อ่านนิดๆหน่อยๆประโยคสองประโยค ก, ก็พลิกไปให้มันคุ้นเคยนะนะพลิกให้มันคุ้นเคยให้มันชำนาญนะเออนี้ดีนะวันหลังจะอ่านนะนะตรงไหนที่น่าสนใจก็นโน้ตโนตไว้สักนิดนึงเออเรื่องนี้ดีนะแหมมีโอกาสจะต้องอ่านแค่เรียกว่าสร้างความสนใจให้กับตัวเองก่อน ใจของเราไม่ใช่มันจะยัดเยียดอะไรได้ง่ายๆนะอย่างอาหารที่เราไม่ชอบก็ลองยกมาให้เราทานดูสิอาจจะทานเพราความเกรงใจคําแรกคําต่อไปก็บอกชักไม่ค่อยเกรงใจเลยนะถ้าจะต้องทานให้หมดจานด้วยเลิกเกรงใจกันเลยชั้นใดก็ดีพระไตรปิฎกก็เหมือนการพยายามเลือกลองพลิกดูก่อนนะเอ๊ะเร่มนี้มีส่วนที่เราสนใจไหมพยายามดูเป็นที่สบายถ้าเราดูเป็นที่สบายแล้วก็จะมีประโยชน์อย่างมากแล้วก็คาว่าเป็นที่สบายก็ไม่ใช่ว่าดูแค่สองนาทีสานาทีแล้วเลิกเลยหรือบางทีก็ดู ทั้งวันทั้งคืนจนตาแทบแตกเนี่ยนะอันนั้นก็เกินไปเพรันคําว่าดูให้มันเป็นที่สบายเนี่ยนะหมายว่าเอาแค่ไหนให้ไม่รู้จักพอดีเพราะสบายหรือไม่สบายเอากุศลจิตเข้าว่าไม่ใช่แล้วก็โหอ่านซะจนบางทีก็ไฟก็ไหมเพราะอะไรไหมเพราะอ่านแล้วก็เครียดก็เครียดเนี่ยนะหนักๆในที่สุดก็เลิกเพรันการอ่านเนี่ยเราต้องคิดว่าในระยะยาวเนี่ยควรจะเท่าไหนจึงจะพอดีเพราะเราเขาคงไม่รีบจะอ่านให้มันจบวันเดียวเนี่ยนะ ก็เป็นโครงการระยะยาวค่อยอ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าที่สําคัญก็อย่าช้าจนเกินควรแล้วก็อย่าเร็วจนเกินไปและที่สําคัญก็เลือกอ่านเล่มไหนก่อนเขามีคําถามว่าพระไตรปิฎกควรอ่านเล่มไหนก่อนก็อ ย, อย่างที่แนะนําว่าควรพลิกดูก่อนว่าเล่มไหนชอบอ่านเล่มนั้นก่อนเล่มไหนที่เราสนใจอ่านเล่มนั้นแต่ก่อนไม่ต้องกลัวหรอกพระไตรปิฎกไม่มีพิมพ์อีกกว่านี้แล้วไม่มีโงอกกว่านี้แล้ว ก็มีอยู่เท่านี้แหละเขาจะอ่านเล่มไหนก่อนมันก็ที่เหลือมันก็สั้นลงสั้นลงแล้วแต่ในที่สุดท้าเฉลี่ยได้เดือนละเล่มเดือนละเล่มเนี่ยเดือนละเล่มเนี่ยปีหนึ่งสิบสอเล่มกี่ปีจึงจะจบรอบหนึ่ง <c oughs> ก็เจดแปดปีเองอ่ะนะก็ก็เจ็ดแปดปีเองเจ็ดปดปีต่อรอบเอออายุ ก, ก็ยังยืนพอสมควรอ่านสักสามรอบก็พอมันก็เฉลี่ยแล้วปีละเล่มเนี่ยเออเออดูไปเดือนละเล่มเนี่ยนะสามร้อหน้ายอย่างเนาะต้องให้อ่านให้ได้วันละ10หน้ายนะ อ่าล้วัน ล, ละสิบหน้าหรือ20หน้าตั้งไว้เลยให้มีโครงการไว้ว้างในใจเนะนะี่ยนะจะมาแรกๆอา่านอย่างน้อยบอกห้าิหน้าถ้าไม่ได้ห้สิหน้าก็ไม่ต้องแล้วนะถ้าวันไหนไม่ได้อา่าน50ิหน้าต้องวันหลังไปอา่านทบอีกร้อยหน้าเงีนะนะ้ยถ้าวันหลังไม่ได้อ่านร้อยหน้าก็ต้องอ่านทบให้ ไ, ได้สองร้อหน้าไม่ต้องเอาคืนได้เลแล้วก็ตั้งไว้รู้บ้างไม่รู้บังางก็อ่านไปก่อนเนี่ยนะแต่ก็อย่างว่ามันก็มีอาชีพเดียวมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าคนอื่นๆที่จะต้องแบ่งทําธุระเรื่องโน้นเรื่องนี้้จะตอง ให้เลือกเอาเล่มที่ตัวเองชอบก่อนเนี่ยนะก็ว่างๆก็พลิกดูก่อนเล่มนี้มีอะไรว้างเล่มนั้นมีอะไรบ้างเออเล่มนี้อยากอ่านเป็นต้นเนี่ยเอาเอาเรียกว่าเอาความชอบเข้าว่าก่อนดีกว่าถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเลยเขายังช่วนีไปเจอพระพุทธเจ้าบอกเออเธอเนี่ยฟังเรื่องนี้เอาไปแต่นี้ก็ไม่ยากเรียกว่าคือสมัยนี้เราต้องทําความเข้าใจว่าเราศึกษาธรรมะประเภทว่าคนป่วยรู้ว่าป่วยแล้วต้องการใช้ยาก็เลยไปอ่านว่า บริษัทในในห้างเนี่ยมันมียาอะไรบ้างก็อ่านฉลากยาไปเรื่อยๆแล้วอ่านอาการตามโรคไปเรื่อยๆแล้วจนว่าเอออันนี้แหละถูกโรคเราแล้วแล้วค่อยว่าไปตามนั้นอย่างการเรียนก็เรียนลักษณะนะั้นเราไม่สามารถรู้ว่าใครเป็นใครเจริตอย่างไรเป็นเป็นอย่างไรมันก็พยายามเรียนให้มันกว้างที่สุดเท่าที่จะกวางได้มันกว้างได้มันก็ต้องเหมาะกับอัธยาศัยเราสักอย่างจนได้นี่แหละเหมาะกับโรคใจความเศร้ามองทางใจของเราจนได้สักสูตรหนึ่งจนได้หรือของเราอาจจะเหมาะกับหลายๆสูตรก็ได้นะ ก็ว่าหลายๆสูตรสักอย่างน้อยสักห้าสูตรสสูตรเป็นต้นที่จะช่วยเหลือใจเราได้เป็นต้นมันก็ต้องค่อยๆศึกษ า, า, า, าอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะบริบูรณ์แต่ที่สําคัญอยากจะแนะนําคนที่มีศรัทธาว่าให้รู้จักสปายะบ้างน่ยนะรู้จักว่าเป็นที่สบายบางทีแล้วดึกดืนเที่ยงคืนตีสองตีสาอ่านถ้าตาถั่วตาแฉะหมดเสร็จแล้วก็พุ่งตือนเช้ามาอะไรก็ทําไม่ได้เนี่ยนะวันหลังก็เครียดอีกเป็นโรคกะระเพาะอีกต่หานแล้วชอบเอาไปเล่มหนาที่สุดเนี่ยนะ เล่นต้องเล่มหนาะที่สุดไอย้ยางเราไม่ใช่คนธรรมดาเพราะอ่านไปอ่านมาไม่รู้เรื่องก็เลยบุญน้อย น, นะคือประเภทนี้มันเลยทงหมดเลยนะเรียกว่าเข็มก็เข็มจัดนะจืดก็จืดสนิทเลยใกล้ๆกลุ่มนั้นอนะ่ะให้มันรู้จักพอดีความกลมกล่อมทางจิตใจเนี่ยนะว่าแค่ไหนจริงจักกุศลเจริญเนี่ยเอาความพอเหมาะพอสมก็เลยเรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญาเนี่ยะนะ าการการแม้กระทั่งอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะการใช้สายตาเนี่ยก็ให้เหมาะสมแม้กระทั่งแสงสว่างสถานที่เป็นต้นนี่เกื้อกูลสําคัญมากเรียกว่าสัพปายะสัมปัชัญญะเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งหนะ้าที่ทําได้ส่วนการดูแล้วไม่ละทิ้งกรรมฐานชื่อว่าโครจรสัมปัชัญญาเนี่ยนะเรียกว่าโครจรไปในสมถะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นผู้เจริญกรรมฐานมีขันธ์ธาตุอายตนะเป็นอารมณ์ควร แลตรงแลซ้ายแลขวาด้วยอำนาจกรรมฐานของตนเท่านั้นหรือผู้เจริญกรรมฐานมีกสินเป็นต้นควรทําการแลตรงแลซ้ายแลขวาด้วยอาการมีกรรมฐานเป็นสําคัญเหมือนกันเรียกว่ามองด้วยสมถะและวิปัสสนาตลอดเวลาถ้าคนที่เจริญกสินถ้าถือสีขาวเรียมองอะไรจะดูเป็นสีขาวไปหมดเลยเขาจะใส่ใจเฉพาะสีขาวอย่างเดียวถ้าจะเจริญประเภทเรียกว่าโอทาตะกระสินเนี่ยนะกสินสีขาว เขาจะสนใจแต่เรื the wheels, the ่องสีขาวอย่างเดียวมองอะไรเห็นแต่สีขาวอย่างเดียวถ้าเขาเจริญโลหิตตกสินสีแดงเขาเห็นอะไรจะเป็นสีแดงหมดจะใส่ใจเฉพาะแต่เรื่องแดงอย่างเดียวอย่างอื่นเขาไม่สนใจเท่าไหร่สนใจเฉพาะสีแดงใส่ใจสีแดงเพื่อจะเจริญกสินถ้าบางคนที่ชอบสีเขียวก็ใส่ใจแต่สีเขียวบางคนที่ชอบสีเหลืองก็ใส่ใจแต่สีเหลืองสีทองเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเขาเรียกว่าหรือคนที่เจริญปัทวีกสินมองอะไรก็ดูเป็นปัทธีไปหมดเลย คนที่เจริญอาโปก็ o, เห็นอะไรเป็นน้ําไปหมดนะนะแปล ว, ว่ามองด้วยสมัมถะถ้ามองด้วยวิปัสนาว่ามันมีกี่ขันธาตุอายตนะอันนี้เป็นขันอะไรนี้เป็ น, นอายตนะอะไรนี้เป็นธาตุอะไรขันเพราะว่าคูณสิบเอเข้าไปเนี่ยมันอดีตเป็นยังไงอนาคต ต, ต่อไปเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงภายในเป็นยังไงภายนอกเป็นยังไงหยาบยังไงละเอียดยังไงใกล้ ย, ยังไงยยไกลยังไงเนี่ยนะ네ถ้ามองเป็นอายตนะแต่ละอย่างมันสะท้อนจิตเจตสิกอะไรให้มันเกิดขึ้นมาบ้าง นะเช่นตากับสีและจิตเจตสิกเหล่านี้ประชุมกันบ้างแล้วตากับสีเนี่ยนะเป็นธาตุอะไรมีความว่างเปล่าเช่นใดเรียกว่ามานสิกานใสใจในการใส่ใจโดยขันอายตนาธาตุไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายแลขวาบริหารกรรมฐานเหล่านี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเรียกว่าโคจระสัมปชัญญะทีนี้ส่วนอะสามัมโมหสัมปัญญะบอกว่าธรรมดาอัตตาภายในชื่อว่าเป็นผู้แลดูตรงแลซ้ายแลขวาไม่นี เขาก็บอกว่าอภัพตระชีวะก็ว่าอภัพตระชีวะเป็นอัตตาที่อยู่ภายในเขามีลัทธิสมัยก่อนสมัยพระเจ้ามิลินเขาเชื่อกันว่ามันมีอภัพตระชีวะชนิดอย่างหนึ่งอยู่นะพระคุณเจ้าไออภัพตระชีวะตัวนี้มันอยากเห็นมันก็วิ่งมาดูทางตามันอยากฟังมันก็วิ่งไปฟังทวารหูมันอยากรู้กลิ่นมันก็ไปที่จมูกมันอยากรู้รสมันก็ไปที่ลิ้นมันอยากรับสัมผัสส่วนไหนมันก็วิ่งไปอยู่ตรงนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอภัพตระชีวะภายในเพราะนั้น อันนี้ก็ลัทธิเรีรทีเขาคิดขึ้นเอางั้นถ้าตาบอดนี่มันอยากไปดูภาพทวารหูได้ไหมล่ะอ่านะเอาตาไปไว้ที่มือแล้วเพื่อจะดูภาพได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นลัทธิเหล่านั้นจึงเข้าใจที่ผิดพลาดไม่มีอัตราเหล่านั้นอย่างที่กล่าวไปแล้วที่มันอยากจะวิ่งดูทวารไหนมันเหมือนกับเขาบอกว่าเขายกตัวอย่างดีเขาฉลาดคิดก็บอกว่าก็เหมือนกับตึกชั้นบนเนี่ยนะบ้านปราสาทชั้นสูงเนี่ยมันมีหน้าต่างอยู่ห้าใบ เพราะฉะนั้นมีคนคนหนึ Banana ่งที่อยู่ในนั้นอะ่ะมันเขาอยากไปดูที่ตะวันออกเขาก็ไปเปิดหน้าต่างที่ตะวันออกดูเขาอยากดูที่ตะวันตกเขาก็ไปเปิดหน้าต่างที่ตะวันตกดูฉันใดอภัพันตระชีวะมันก็เป็นเช่นนั้นแลยกวา่ากันเอางั้นถ้าตาบอดแล้วก็ไปเปิดดูทวารหูได้ไหมเอาหูไปดูภาพเอาจมูกไปฟังเสียงเอาลิ้นไปดูสีได้ไหมเป็นต้นเอากายไปฟังเสียงได้ไหมเป็นต้นบอกไม่ได้เอาไม่ได้แล้วไอ้ชีวะตัวนั้นมันคืออะไร เพราะชีวะเหล่านั้นจึงไม่มีอยู่จริงเพราะอัตตาที่มาทำหน้าที่ดูทำหน้าที่เห็นไม่มีอ น, นะไม่มีใครมาทำกิจหน้าที่เห็นและหน้าที่ดูที่เรียกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรแต่อ น, นะแต่เมื่อความคิดเกิดขึ้นว่าเราจะแหลตรงวายโยธาที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็จะทำวินญยญัตให้เกิดพร้อมกับจิตดวงแรกเพราะขณะที่หลับตาลืมตาเนี่ยนะปกติถือหลับตาก่อน ถ้าหลับตาแล้วลืมตาขึ้นเนี่ยนะจิตตชาวาโยธาตพร้อมกับวิญญาตเนี่ยดึงหนังตาบนเข้าดึงหนังตาที่เรียกว่าที่เรียกว่าลืมตานะก็คือหนังตาบนก็หดลงหนังตาล่างก็หดลงนะก็เกิดการลืมตาขึ้นอันนั้นเนี่ยเป็นกายวิญญาตนะขณะที่ลืมตาเนี่ยเป็นกายวิญญาตนะก็ลืมตาขึ้นจิตที่ทํากิจหน้าที่ลืมตาเนี่ยนะก็จิตชวนะจิตที่ทําชวนะแล้วก็ทําจิตตชาวาโยธาต แผ่มาเป็นกายวิญญาตในการลืมตาหนังเปลือกตาบนก็หดอะหนังเปลือกตาล่างก็หดลงก็ลืมตาก็โผล่ขึ้นมาเปิดตากล่องั้งนั้นนะด้วยประการอย่างนี้เปลือกตาหนังตาล่างก็ร่นลงไปเบื้องล่างเปลือกตาบนก็จะเลิกขึ้นไปข้างบนด้วยอำนาจการแผ่ขยายของวายโยธาที่เกิดจากกิริยาของจิตไม่มีใครทำหน้าที่ เปิดเปลือกเปลืตาไม่มีเครื่องยนต์ ก, นกลไกไปอยู่ในนั้นอะไรหรอมีคนที่คนหนึ่งวิ่งไปดึงหนังตาขึ้นแล้วก็วิ่งมาอดหนังตาลงไงมีไหมไม่มีเนี่ยนะมีหรอกทีนี้เมื่อตาลืมขึ้นเนี่ยนะจกักขูวิญญาณก็จะทํากิจทัศนกิจอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะในขณะที่เห็นว่าจากักขูวิญญาณนะที่ทําหน้าที่เห็นอาศัยจกักขูกับรูปเกิดจกักขูวิญญาณ ไอจ้จักรวิญญาณนี่เขาเรียกว่าการรู้แจ้งถ่ายโดยอาศัยทวารตาการรู้แจ้งหรือการรับรู้การเห็นโดยอาศัยทวารตาเรียกว่าจากักรวิญญาณเนี่ยนะมันแค่การรับรู้ชนิดหนึ่งเท่านั้นเองมันเป็นการรับรู้ชนิดหนึ่งะนะเหมือนกล้องบรญยายน่อนเท่านั้นแหละมันก็เหมือนกับการรับภาพเท่านั้นไอ้ส่วนที่รายละเอียดจำแนกแกะแง่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นเน่ยเป็นเรื่องของชาวนะทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเข้าใจเรื่องนี้ว่าไม่หลงงมงายว่า ใครเป็นผู้เห็นใครเป็นผู้ถูกเห็นไม่มี ม, มีแต่ว่าอาศัยองค์ประชุมการเห็นเชิงเกิดขึ้นอาศัยจักขู่กับรูปเกิดจักขู่วิญญาณแท้จริงมันก็มีอยู่เท่านี้แหละทีนี้การพิจารณาท่านบอกว่าพิจารณาด้วยอำนาจมูลปริญญาด้วยอาคันตุ ก, กะตาวะกาลิกะอันนี้ยกมา3าตัวอย่างก่อนแรกเกี่ยวกับเรื่องมูลปริญญาเนี่ยนะการรอบรู้ขั้นมูลฐาน มูลเนี่ยแปลว่ามูลฐานเนี่ยนะก็ปริญญาก็การรอบรู้การรอบรู้โดยมูลฐานโดยอาคารตุกะก็คือแขกเชิญเนี่ยนะแขกไม่รับเชิญหรือเชิญก็ตามก็คืออาคารตุกะเนี่ยนะผู้จรมาแล้วก็ตาว่ากาลิกะของชั่วคราวก่อนอื่นมาเขาทำความเข้าใจในเรื่องของการเห็นเนี่ยรเราเียกว่ามูลปริญญาก็เพราะว่าจะมีอะไรมีจิตที่เป็นภวังคจิตอาวชนะจิต น, นะทัศนทะัศนจิตแล้วก็สัมปติชนะจิตสันติระรนาจิตวัฒนะจิต แล้วก็ชาวนะอีกเจ็ณะก็จะขึ้นต้นด้วยผวังผวังเนี่ยเรียกว่าอะไรนะภาษานี่นะละตีตะวังผวังกัจรณะผนะวังคู่ปัจเฉ ท, ทะผวังสามดวงเนี่ยผวังคู่ปททัจเฉตะตัดกระแสผวังจัคคุทวาราวชนะก็เกิดขึ้นมีสีเป็นอารมณ์จัคคูวิญญาณก็ทําทัศนกิจสัมปติชนะก็รับอารมณ์ต่อไปเป็นต้นเนี่ยมาดูว่าบรรดาจิตทั้งเจ็กลุ่มเหล่านั้นกลุ่มที่หนึ่งผวัง ส อ, อวชนะ3ทัศนะ4สัสมปติชันะหสันติรณะหกวัฒพนาเชาวนะเนี่ยนะมีอยู่7ระยะด้วยกันเลยไหจิตกลุ่มที่1เรียกว่าภาวังผวังเนี่ยคือทำรรกิจเหตุอุปติภพให้สําเร็จเป็นไปาถามว่าพื้นเพยชีวิตของแต่ละคนนี่คืออะไรคือผวังผวังตัวนี้เรียกว่าอุปติภพเป็นธาตุแท้ของคนนั้นเลยนะธาตุแทแรกปฏิสนธิและจุติจุติด้วยจิตประเภทผวัง ถ้าแท้ของคนนั้นว่าคนนั้นควรจะมีคุณภาพเท่าไหร่เช่นเป็นคนโสมนัสหรืออุเบกขาญาณวิปยุตหรือญาณสัมปยุตอสังขาริกหรือสังขาริกเขาแยกกาหนดที่ภวังก็ดูจากพื้นเพย์คือพวังเน่ยนะ เ, นเรียกว่าอุปติภพอุปติภพอันนี้เป็นผลของกรรมในอดีตอุปติภพอันนี้นี่แหละที่ทําก่อนที่จะเห็นเนี่ยจะต้องลงสู่พวังก่อนคิดว่ากลับไปสู่ภูมิหลังของตัวเองก่อน